นักปฏิบัตินะเดินจงกรมก็เหนื่อยนั่งสมาธิก็ลาบากทำอะไรลาบากหมดนะ่าสงสารทำของง่ายให้ยากแต่ก่อนมันจะง่ายมันก็ยากมาก่อนแหละครูบาอาจารย์น่นบอกหลวงพ่อทั่วเหมือนกันหมดประโมทมันไม่ยากหรอกก็เงียบๆไปหน่อยก็ยากเหมือนกันแหละ กว่าจะเลิกทำเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็คิดว่าต้องทำอะไรจะต้องทำอย่างโน้นจะต้องทำอย่างนี้ในความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรเกินคำว่าอัตตะกิรมัฏฐานโยกเวลาเป็นนักปฏิบัตินะจะทำอัตตะกิรมัฏฐานโยกคือทำตัวเองให้ลำบากทำกายให้ลำบากทำใจให้ลำบาก พระพุทธเจ้าสอนวิปัสสนากรรมฐานนะสอนให้รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นแทนที่เราจะรู้อย่างที่มันเป็นเราก็ไปทําให้มันลําบากบังคับมันข่มมันเดินจงกรมก็ไม่เหมือนเดินเล่นถ้าเดินเราก็เมื่อยดิเดินเล่นเดินได้ทั้งนาน เดินจงกรมแล้วเคล็ดขัดยอกทําไมเป็นอย่างนั้นเราไปดัดแปลงท่าเดินของเราจงกรมแปลว่าก้าวไปทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวเป็นเดินจงกรมทั้งหมดเลยจนะยทำบังคับตัวเองนะเดินต้องท่านี้นั่งท่านี้หายใจแบบนี้มีแต่ความลําบาก คนที่ไม่พอวานานนะีจิตมันจะสุดโต่งไปข้างกามสุขาริการุโยกมันตามกิเลสไปตามใจกิเลสอะไรเป็นกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายหรือการคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเรียกว่ากามาคูณอารมณ์คนทั่วๆไปใจจะไหลไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัส หรือไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสกิเลสที่กฟูกิเลสมากมากมาก็มีทุคติเป็นที่ไปนักปฏิบัติก็กลับข้างเห็นว่า ก, การสุขาริการุโยคไม่ดีแล้วก็ามาทาอัตตะกิลมัฏฐานุโยคบังคับกายบังคับใจไม่ขึ้นมีปัสนาสติวิปัจสนะง่าย รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนะไม่ดัดแปลงแต่จะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจ er> อย่างที่ใจเป็นได้จิตต้องตั้งมั่นก่อนจิตต้องถึงฐานจิตต้องเป็นคนดูไม่ใช่ผู้แสดงเลมาเปลี่ยนเป็นผู้ดูไม่ใช่นักประพันธ์จิตของพวกเราเป็นนักประพันธ์แต่งโน้นแต่งนี้เป็นนักแสดงแสดงโน้นแสดงนี Dr. ้ ที่แสดงบทรักแสดงบทโกรธเนี่ยเป็นนักวิจารณ์เป็นไหมไอ้ น, นี่ดีไอ้ น, นี่ไม่ดีไอ้ น, นี่ถูกก็ น, นี่ไม่ถูกไม่ใช่ผู้ดูเราเป็นคนดูละครเราไม่ใช่นักประพันธ์คนแต่งบทละครเราไม่ใช่นักเล่นละครเราไม่ใช่คนวิจารณ์บทละครก็ไม่ต้องเป็นคนจัดฉากคนแบกโน้นแบกนี้นะ ทำตัวเป็นคนดูไม่ต้องทารับภาระอะไรเลยดูอะไรดูกายเขาเล่นละครดูใจเขาเล่นละครตัวละครนะมีอยู่เจบหัวตัวที่เราดูกันเนี้ยถ้าแยกละเอียดนะก็มีร5 0ยห้าบตัวสภาวะธรรมเจตัวเลยแยกละเอียดเป็นร5 0ยห้าตัว ใดสิบตัวเนี่ยเราเห็นไม่ได้อยู่หนึ่งตัวคือนิพพานยังไม่เห็นมีอีกเจตัวเป็นรูปเพื่อส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นรูปประธรรมส่วนมากก็เป็นนามธรรมรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันผลัดกันขึ้นมาแสดงละครให้เราดูเวลาเราดูละครตัวละครออกมาแสดงทีเดียวหลายๆตัว ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ออกมาทิ้งหลายตัวมาคุยกันมาตีกันมาทะเลาะ ก, กันมารักกันอะไรตัวละครที่ออกมาแสดงครั้งละหลายหลยตัวเนี่ยแต่เวลาเราดูเราดูตัวเดียวดูทีละตัวนึกออกไหมตอนนี้นางเอกพูดเราก็ดูนางเอกเราไม่ไปดูตัวตลกหรือมันออกมาพร้อมๆกันหลายตัวแล้วก็ดูทีละตัวตอนนี้พระเอก มีบทบาทเราก็ดูพระเอกดูทีละตัวนะการดูสภาวะธรรมก็เหมือนกันสภาวะธรรมเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันจํานวนมากอย่างรู ป, ปรธรรมนะเกิดทีหนึงเป็นกลุ่มๆกลุ่มของรู ป, ปรธรรมนะั้นขั้นต่าเป็นเกิดมาต้องมีอะไรมีดินน้ําไฟลมอากาศเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันนะมีอะไรอีกมีสีมีกลิ่น มีรถเนี่ยต้องมีเวลารูปมันเกิดมันเกิดไม่เป็นกลุ่มๆเรียกว่ากลาบตลาปะไม่จาเป็นต้องจำมันนะฟังฟังฟังหูแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องไว้อีหูเสียเวลาเกิดทีละหลายตัวแต่ตัวที่มีบทบาทเด่นเด่นทีละตัวบางทีก็ตัวดินเด่นตัวน้ำเด่น หรือนำมาทําเกิดทิ้งหลายตัวอะไรเกิดบ้างต้องมีจิตหนึ่งดวงแล้วต้องมีเจตสิกคือทำที่เกิดร่วมกับจิตมีหลายตัวมีอะไรบ้างต้องมีเวทนาเกิดขึ้นมีสุขทุกข์เฉยๆต้องมีในจิตทุกดวงต้องมีเวทนาสุขทุกข์เฉยๆต้องมีะ จิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลเลยก็มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันสภาวะบางอย่างเกิดเหตุจิต ท, ทุกดวงเช่นความเป็นหนึ่งในการรู้อารมณ์จิตดีก็รู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวจิตชั่วก็รู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวความสามารถในการรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเรียเ อ, เอกคตาเจตสิก นี่บางคนได้ยินคำว่าเอกกัตตาเลยสรุปเลยว่าจิตทุกดวงมีสมาธิอยู่แล้วไม่ต้องฝึกสมาธิลืมไปว่าสมาธิมีหลายชนิดนั้นบางคนเรียนอภิธรรมจะไม่เอาสมาธิเลยบอกสมาธิมีอยู่แล้วเพราะว่าเอกกตาเจตสิกเกิดร่วมกับจิตทุกดวงไม่รู้ว่าสมาธิมีหลายชนิดสมาธิแท้ๆที่จะทำให้เกิดปัญญานะั้นยากมากที่จะมี แต่ถ้ามีแล้วการเจริญปัญญาจะเป็นเรื่องเล็กมากเลยง่ายเงินเบื้องต้นนี่ยากกว่าเราจะได้ตัวรู้ขึ้นมาเมื่อมีตัวรู้แล้วนะเห็นกายเห็นใจทำงานนี่เรื่องเล็กมากเลยเห็นทั้งวันเลยไม่ได้เจตนาเห็นมันก็เห็นละงั้นต้องฝึกนะอยู่ๆไม่เกิดหรอกของฟรีไม่มีของฟลุ๊กไม่มีทุกอย่างมีแต่กรรมคือการกระทต้องทาเอา ต้องฝึกตัวเองนะคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆจะได้สมาธิที่ถูกต้องรู้แค่รู้ทันจิตเคลื่อนอย่าไปห้ามมันการรู้ทันจิตเคลื่อนเนี่ยให้เคลื่อนไปก่อนแล้วรู้ว่าเคลื่อนจิตเคลื่อนไปก่อนแล้วรู้ว่าเคลื่อนการดูจิตดูใจเนี่ยให้จิตทำงานไปก่อนเราถึงจะรู้เอาอย่าไปรอดูอย่าไปดักดูว่าดูซิเมื่อไหร่จะเคลื่อนถ้าดูซิเมื่อไหร่จะเคลื่อนเนี่ยเพ่งเลย อันนี้แน่นแน่นทื่อๆอยู่เลยดูซิเมื่อไหร่จะโลภเห็นสาวงามมาแนละ้วเดี๋ยวเห็นแว๊ บ, บแวบแ ก, กลกรู้เลยถ้าเจอหน้าจังๆเดี๋ยวต้องหลงรักเขาละไหนดูซิจะรักเมื่อไหร่ <c oughs> <c oughs> ไม่รักแลฉวเฉยๆงั้นตัวจิตดยใจอย่าไปจ้องให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอานี่เป็นหลักของการดูจิตนะไม่เหมือนดูกาย ดูกายเนี่ยดูขนาดนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยเนี่กำลังเคลื่อนไหวอยู่รู้สึกได้เลยเห็นรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนี่ต้องใช้หลักนี้รูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรูปก็เคลื่อนไปดูได้ปัจจุบันเลยทําไมดูรูปดูได้ปัจจุบันเพราะจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งได้อย่างเดียวจิตตอนนี้ไปรู้รูปนี่ใช้รูปเป็นอารมณ์รู้ได้เลยจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งได้อย่างเดียวนะ ยังเวลาเราโกรธเราขับรถอยู่คนปาดหน้าเราไอ้คนขับรถปาดหน้าเราเนี่ยเป็นอารมณ์ที่จิตรู้โกรธมันจ้องดูมันในขณะนั้นจะมาดูว่าโกรธไม่ได้เพราะอะไรเอาไอ้คนนั้นเป็นอารมณ์ไปแล้วนะเวลาเราถูกปาดหน้าเราจะดูมันนึก อ, ออกไหมในขณะนั้นเอาสิ่งที่ทําให้โกรธเรียกวัตถุแห่งความโกรธออบเจกต์ของความโกรธ เป็นอารมณ์ขณะนั้นจะรู้ว่าโกรธไม่ได้แต่เมื่อไรรู้ว่าโกรธเมื่อ น, นั้นเปลี่ยนละเอาอะไรเป็นอารมณ์เอาจิตดวงที่โกรธเป็นอารมณ์จิตดวงนั้นดับไปแล้วจิตดวงใหม่ที่รู้ว่าโกรธเนี่ยมีสติไม่ใช่จิตดวงที่โกรธแล้วเป็นคนละดวงกันจริงจิตมันเกิดดับตลอดไม่เห็นเองดูจิตไม่เป็นก็ไม่เห็น ดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นดวงใหม่ก็เกิดแล้วก็ดับมีช่องว่างมาขั้นถ้าเห็นช่องว่างนะก็จะเห็นว่าจิตไม่ใช่ดวงเดียวหรอกขาดเป็นท่อนๆเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับจิตไม่เที่ยงเหมือนที่พระเจ้าสอนจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนะดูกายดูลงปัจจุบันดูจิตนะดูจิตดูตามหลังแต่ตามแบบกระชั้นกระชั้น เรียกว่าปัจจุบันสันตติคือสืบต่อกับปัจจุบันค่อยฝึกนะค่อยฝึกไปให้ใจอยู่กับตัวเองก่อนหลวงพูดโดนบอกจิตไม่ออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกใจอยู่ที่ตัวเองท่านก็บอกว่าธรรมชาติจิตมันย่อมออกนอกออกไปแล้วเรารู้ทันย่ตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วนะทรงธรรมญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูป คำว่าจงทำยานยานเป็นชื่อปัญญายานเห็นจิตหมายถึงว่าเห็นจิตด้วยปัญญาไม่ได้เห็นด้วยสติไม่ใช่จ้องที่จิตแต่เห็นจิตด้วยปัญญาก็คือเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์นะถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ไม่เไดกมีปัญญาเหมือนตาเห็นรูปรูปมันแสดงไงก็รูป้ไปอย่างนั้นตามองเห็นไปอย่างนั้นจิตมันแสดงไปยังไงเราก็รู้ไปอย่างนั้นไม่ไปแทรกแซงมันแต่ไปจิตที่เห็นจิตอยา่างยําแจง้ง จิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณนะ์ก็หมดความยึดถือจิต ท, ที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนี้แหละนะที่เรียก ว, ว่าทำลายจิต ท, ทำลายผู้รู้เพืนะ่อ ก, กลายเป็นธรรมธาตุเป็นธาตุรนะู้ใจก็เข้าสู่ความว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแตง่งหยุดการสแสวงหาห ย, ยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างว่างว่างเป็นยังไงว่างไม่ใช่ว่างเปล่าว่างเปล่าเป็นมิจฉาทิฐิ ว่างวางจากอะไรนะว่างจากกิเลสว่างจากความปรุงแต่งว่างจากความยึดถือเรียว่างมีอยู่แต่ไม่ยึดอยู่เรียกว่าว่างว่างไม่ใช่ว่างเปล่าสว่างอะไรเรียกว่าสว่างแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีจิตดวงนั้นสมบูรณ์ด้วยปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจสี่เมื่อเห็นอริยสัจสีแล้วแจ้งอริยสัจสีแล้ว สว่างสว文แล้วไม่มีความมัวอีกต่อไปแล้วจิตมืดจิตมัวเป็นจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะนะเนี่ยอาโมหะอามมหะคือปัญญาเนปะ่นจิตที่มีปัญญาสูงสุดสว่างสว文艺ไม่มีอะไรปิดกันด้นใดเนี่ยว่างสว่างบริสุทธิ์บริสุทธิ์ธก็คือไม่มีเชื้อของกิเลสเหลืออยู่แล้วถอนสิ้นซากเลยนะไม่มีอาสวะ หอพุ่มจิตอยู่หยุดความปรุงแต่งไม่มีความปรุงแต่งภายในก็ไม่มีความเคลื่อนไหวเลยไม่มีความปรุงของเราจะปรุงยิบๆยบยิบแยบตลอดหยุดการสแสวงหาอะไรสแสวงหาตัณหาเป็นตัวสแสวงหาจิตไม่มีความอยากไม่มีความหิวจิตไม่สแสวงหาหมดกิริยาของจิตไม่มีกิริยาอาการจิตของเรามีกิริยามั้ย ตะคุบนอนตะคุบนี้ไปเลยปรุงนอนปรุงนี่ไปเลยหมดกิริยาว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสัอย่างไม่มีอะไรเลยมีไหมมีมีอะไรมีไม่มีมีไม่มีนี้เป็นธรรมที่ล้ำลึกมีความไม่มีมีอะไรที่ไม่มีพระนิพพานมีอยู่แต่ไม่มีไม่มีอะไร ไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีสมมุติบัญญัตินะไม่มีอะไรเลยมีนิพพานไม่เหลืออะไรสักอย่างไม่มีเชื้อเหลือนะไม่มีเชื้อเหลือที่จะเกิดอีกเนี่ยคำพูดหลวงพูดุลนะว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเป็นการบรรยายสภาวะจิตพระอรหันต์ทั้งนั้นเลยพวกเราไม่มีนะไม่ต้องไปทำหรอก ให้ดูกิเลสไปนั่นแหะกิเลสมีไหมมีดูของที่มีดูไปดูอะไรที่ไม่มีะมีคําอยู่คู่นะไม่มีมีมีไม่มีมีไม่มีเนี่ยมีอะไรมีรูปน้ําไม่มีอะไรไม่มีตัวมีตนไม่มีมีอะไรไม่มีนิพพานไม่มี ในนี้ผ่านนั่นแหละมีไม่ใช่ปรัชญานะความจริงล้วนๆเลยต่อหน้าต่อตาไม่ต้องคิดมากของจริงๆอย่างนี้เลยไม่ใช่ปรัชญาสัจธรรมตั้ ง, งอยู่ที่ว่าใจเราเอาถึงไหมนะเข้าถึงไหมเท่านั้นนะเอาต่อไปส่วนันบ้านนบำมัสการ์ค่ะหลวงพ่ออ่า ค่ะตอนนี้ก็ดูรู้สึกว่าสงบขึ้นนะคะจิตใจแล้วก็ตามพยายามดูกายดูเพราะไม่ใช่ <c oughs> ที่พึ่งนันเดี๋ยวก็ฟุ้งใหม่นะค่ะ <c oughs> จิตสงบรู้สงบแล้วพอใจรู้จิตฟุงรรร้งซ่านรู้ฟุ้งซ่านแล้วไม่พอใจก็รู้ฝึกไปดึงนี้นะสุดท้ายก็จะเห็นอะไรสงบก็ไม่เที่ยงฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงนะก็ตามการดูดูกายดูใจไ ป, เ, ออไปเรื่อยๆค่ะอะไรมีอะไรให้ดูก็ดูอันนั้นแหละ ออมาช่วงแรกๆนั่งสมาธิมันเหมือนตกหลุมอากาศบ่อยๆ อ, อะคะ่ะลุงพอ่อไม่ชำนาญ น, นะมันเหมือนหัดครขับเรือบินเนะไม่ชำนาญเวลาลงกระแทกพื้นถ้าลงเก่งแล้วแลนดิ้งสวยนิ่มๆสติมันไม่พอหรอคะมันไม่ชมนานาญเวลาจิตรวมไม่ชำนาญกะหล่นวูบเลยก็เด้งขึ้นมาเลยเหมือนลุมอาการจริงนะตกไปเพืกอกับขึ้นมาใหม่เพื่อเพื่อไปเรื่อย แล้วชำนาญแล้วก็ลงนิ่มๆให้พี่ทําบ่อยๆใช่ไหมคะสมาธิเป็นของต้องฝึกซ้อมบ่อยๆให้ชำนาญคําว่าชํนานาญในสมาธิหรือคำว่าว่าสีเนี่ยต้องมีสี่อันนะต้องชํนานาญให้ได้สี่อย่างชํนานาญในการเข้าชํนานาญในการทรงอยู่ชํนานาญในการออกชํนานาญในการเจริญปัญญาในสมาธิถึงจะเรียกว่าชํนานาญสมาธิจริงนะ ถ้าสามวันแล้วยังไม่เข้าไม่ชำนาญในการเข้าเข้าแล้วก็เด้งดึงออกมาเลยไม่ชำนาญในการสร่งอยูนะ่ตอนจะออกก็ไม่ยอมออกนะไม่ชำนาญในการออกนะพอออกมานะปพดหัวไปเลยนะนะไม่ชำนาญในการเดินปัญญาในสมาธินะสมาธิต้องฝึกนะเหมือนกันะไม่ชนานาญหรอก หลวงพ่อเล่นสมาธิอยู่ยี่บสองปีเล่นทีแรกนึกว่าไม่มีประโยชน์นะเสียดายเวลามันก็มีเหมือนกันนะเอาไว้เล่นเอาไว้พักผ่อนนะ่ะค่ะกรามนรมัสการ์ค่ะเมื่อวานเมื่อวานได้ลองฝึกภาวนาค่ะใช้บทสวดมนต์เป็นวิหารละธรรมแต่พอเมื่อเช้าได้ฟังหลวงพ่อเทศคือถึงได้รู้ว่าตัวเองจิตไม่ได้เข้าฐานเลย ใช้บทสวดมนต์เป็นวิหารธรรมไม่ได้นะเราต้องใช้อารมณ์ในสติปัฏฐานสี่เป็นวิหารธรรมถ้าเราจะสวดมนต์เนี่ยเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมเนี่ยสวดมนต์ไปจิตสงบ ก, ก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้อย่างนี้ถือเรียกว่าใช้ได้ถ้าสวดมนต์เป็นวิหารธรรมมันจะติดจับเอาบทสวดมนต์แล้วให้สงบไปเฉยๆไม่เดินปัญญาแน่นอนเลย <c oughs> นั่นวิหารธรรมหรือเครื่องอยู่ของจิตเนี่ย ไปดูสติปัฏฐานสี่นะใช้กายเป็นวิหารธรรมใช้เวทนาใช้จิตใช้รธรรมเป็นวิหารธรรมต้องใช่เงี้ยอย่างบางคนบอกฟังซีดีหลวงพ่อเป็นวิหารธรรมใช้ไม่ได้ถ้าฟังซีดีหลวงพ่อแล้วจิตสุกรู้จิตทุกรู้จิตดีรู้จิตชั่วรู้สงบรู้ฟุ้งซ่านรู้อย่างนี้ใช้จิตเป็นวิหารธรรมใช้ซีดีเป็นเหยือ่อล่อนะเราใช้คําบริกรรมเป็นเหยือ่อล่อแล้วเราก็รู้ทันจิตอย่างนี้ถึงจะใช้ได้นะ ถ้างันใช้ลมหายใจแทนได้ใช่ไหมใช้ร่างกายที่หายใจถ้าใช้ลมหายใจมันจะเพ่งถ้าดูไปเรื่อยมันจะจับลมแล้วนิ่งอยู่ที่ลมไปจิตไหลไปอยู่ที่ลมใช้ไม่ได้เอาใหม่ลืมไปซะเห็นร่างกายเนี่ยตัวนี้หายใจยิ้มก่อนต้องยิ้มหวานก่อนเออใช้ใจอย่างเนี้ยใช้ใจที่สบายอย่างนี้นะแล้วเห็นร่างกายเนี่ยหายใจเห็นแม่ใจมันปร่งไปฝึก อ, อย่างนี้นะอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ เพราองันใช้การหายใจเป็นวิหารธรรมอย่าไปใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมค่ะอ่ะวันแรกมามันมืดหาช่องว่างมีสติไม่ค่อยเจอเลยค่ะวันนี้ค่อยชั่วขึ้นค่ะธรรมดามาจากโลกมืดมาอยู่ในนี้นะมันต้องใช้เวลานิดหนึง่งจิตมันยังเคยชินอยู่กับโลกพอมันได้พักได้สงบเพื่อมีแรงก็สว่างขึ้นมา เพิ่งรู้จักว่ามีแรงเป็นยังไงเนี่ยนั่นแหละดีอ้าต่อไปมีมีอะไรจินมันมีแรงแล้วต่อไปก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานนะอย่าไปเพ่งแล้วเวลากิเลสมันมามันรู้สึกคว้าเร็วจังเลยเอ่ะธรรมดานะเราชินอ่ะชำนาญมาปุ๊บจับไม่มากวานหาก็คือเปลี่ยนความเคยชิน สร้างความเคยชินใหม่แต่เดิมเคยชินที่จะหลงแต่เนี้ยเคยชินจะรู้สึกต้องมาสร้างเอาก็ของหนูนี่เวลาทําอะค่ะพอทําปุ๊บก็จะแน่นแน่นนอนแน่นอนค่ะแล้วก็หนูเหมือนทําอะไรหนูก็จะรู้สึกว่าตัวเองทําผิดตลอดเวลาถูกถูกต้องทําทีไรก็ผิดทุกทีแต่ไม่ไม่ทำผิดมากกว่านะผิดไปก่อนแล้วมันก็ถูกทีหลังแต่เดี๋ยวจะถูกไปเองใช่ไหมใช่ ให้รู้ทันที่ผิดนะแล้วมันถูกเองนะต่อไปนี้ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปนะโลภขึ้นมารู้โกรธขึ้นมารู้ดีใจเสียใจรู้สุขทุกข์รู้คอยรู้ทันความรู้สึกไปเรื่อยๆนะไม่ต้องทําอะไรมากหรอกรทำมากไม่ได้หรอกขี้โมโห ต, ตัวเหมือนว่าถ้าเกิดอย่างจิตที่มันแปลกๆ ก, ก็ไม่ต้องไปจ้องมันใช่ไหมคะได้ไม่จ้องไม่จ้องสักตัวเดียว<อ>จิตแปลกๆสงสยัยว่ามันตัวอะไรนะรู้ว่าสงสยัย ก็ปล่อยมันไปเลยนะคะรู้ว่าสงสัยไม่ใช่ปล่อยไม่ดูอะไรเลยนะ<ม>กลับมาพิการค่ะหลวงพ่ อ, อ, อวันแรกหลวงพ่อบอกว่ากดอยู่ตอนนี้ก็เลยกลับไปดูค่ะดูลมหายใจรู้สึกว่าจิตคลายขึ้นค่ะแล้วก็ถูกต้องค่ะแล้วก็จิตที่คลายนี่มีข้อดีนะ<ม>ก็คือมันจะเดินปัญญาต่อได้<ฮ>เพราะาเราไม่เข้าไปแทรกแซงกายใจถ้าเราแทรกแซงจิตจะแน่น แต่ข้อเสียก็คือมันจะหลงง่ายใช่ค่ะหลงอยู่เหมือนกันเ่อเรามีเครื่องอยู่นะอยู่กับร่างกายที่หายใจค่อยละลึกไปด้วยนะแล้วจิตจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วก็ค่อยรู้เอาจะได้ไม่หลงนานถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่มันจะหลงยาวค่ะวันนี้ก็เพิ่งจะรู้สึกว่าเริ่มตั้งมั่นตอนที่หลวงพ่อเทศเมื่อเช้าค่ะเป็นปกตินะปกติฟังหลวงพ่อเทศแล้วฟุ้งซ่านก็แย่สิ ห <c oughs> ลวงพ่อคะจะขอกราบถามภาวะจิตตัวหนึ่งอะคะ่ะคือหนูเคยเหมือนกับไม่ได้ทําอะไรนอนอยู่เฉยๆแต่วันนั้นน่ยค่อนข้างที่จะมีภัสสะเข้ามาเยอะมากก็จะรู้สึกว่าน่นๆอยู่กลางอกอะคะ่ะแล้วหนูก็เลยเหมือนเพ่งจ้องเขาเสร็จแล้วเขาก็แตกสว่างขึ้นมาหนูไม่แน่ใจว่าตรงนั้นคืออาการอะไรอะคะ่ะนั้นแหละเพ่งเหรอนะได้สมาธิขึ้นมาหลวงพ่อก็เคยทําไม่ได้ผลหรอก <c oughs> มาหลังเพ่งก็ไม่แตก ใช่ค่ะพอวันหลังอยากอยากให้แตกอีกก็ไม่แตกแล้วล่ะต้องเปลี่ยนใหม่ไปเฉือนมันเฉือนเข้านะอีกวันนี้มาเฉือนไม่เข้าให้เฉือนเราเด้งดึ๋งดึ๋งดึงนะไม่ได้กินหรอกใช้ซ้ําไม่ได้ค่ะหลวงพ่อนะไม่มีความหมายอะไรค่ะค่ะหลวงพ่อค่ะสุดท้ายหนูขอกาบขอขมาหลวงพ่อด้วยถ้ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรที่ร่วงเกินหลวงพ่อไว้รับทราบนะโมทนะค่ะ นมาสการครับหลวงพ่อคือเวลาที่หลวงพ่อสอนให้อ่าดูร่างกายหายใจครับมันรู้สึกเหมือนเป็นรู้รอะไรอยู่นอกๆออครับหลวงพ่อเราอย่าไปประคองไว้ข้างนอกนะ ร, รู้สึกธรรมดาเนี่ย<ม>ไม่ต้องดึงจิตมาไว้ข้างนอกหรอกรแต่เสร็จแล้วมันมันจะรู้สึกว่ากายกับใจมันแยกกันเองอแต่ว่าตรงที่กายกับใจแยกกันไม่ประคองไว้ข้างนอกอน้นำมาสการครับหลวงพ่อเพิไม่ได้ส่งกันบ้านมาปีกว่าผมกลัวว่าผมก็ จะไปเดิล็อกอีกรอบหรือภาพไม่แน่ใจครับหลวงพ่อให้ไปดูก า, กายก็สลายกายเราดูกายไปเห็นกายไม่ใช่จิตนะครักายสลายไปเข้ามาที่จิตครับแล้วก็เห็นจิตมันทํางานไปสุดท้ายก็เห็นว่าไม่มีเราสักอันเดียวตัวอย่างทํางานได้เองอะช่วงหลังแรงดีขึ้นอาจจะเพราะศีลดีเป็นนะศีนทาให้มีสมาธิสมาธิทําให้มีแรง เราก็ดูกายต่อไปคือพอสลายกายเหลือจิตเราก็จรินิสัยเราดูกายแมก็ดีนะแล้วมันเห็นจิตเองแหละรู้สึกไ้มว่ามันเห็นจิตชัดขึ้นโดยที่ไม่ได้เจตนาคือจํานวนถ้านับจํานวนปริมาณนี่จะเยอะแต่ว่าบางทีมันก็จะไปจงใจพอจงใจมันจะเป็นพบอย่างที่ใช่ใช่เน้นๆนะในมรดกการหลวงพ่อค่ะครั้งที่แล้วมาส่งหลวงพ่อบอกว่าไม่มีแรงเข้าใจว่ามีแรงมากขึ้นใช่แต่ช่วงนี้หงุดหงิด เข้าใจว่าจิตมันไม่ยอมรับที่แบบมันมันเหมือนปฏิบัติไม่ดีอะค่ะจิตไม่ชอบเออให้รู้ว่าไม่ชอบนะแต่มันก็มันก็หุนหงินบ่อยมากเลยค่ะแล้วก็หุนหุนหิดบ่อยอะดีเห็นไหมหุนหินมาได้เองนะไหนไหนมันก็หุนหิดแล้วนะเอามันมาเป็นเครื่องฝึกปัญญาของเราเห็นไหมความหุนหินมาได้เองความหุนหิดบังคับไม่ได้ถึงเวลาเราก็ทาความสงบบ้าง ไม่ต้องกลัวติดหรอคือเหมือนนั่งทําสมถะอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ทำสมถะสมถะเราไม่ทิ้งนะบางคนนะ่ะทิ้งก่อนเพราะว่าจิตไปติดความสงบนะพอมันมันหายแล้วก็ถึงเวลาก็ต้องทํา ข, ขอถามอีกนิดนึงค่ะคือพอดีพอนั่งนั่งทําสมถะแล้วแบบมันก็เหมือนออกไปดูแล้วเราก็พยายาม<ห>ดึงมันกลับมาไม่ดึงไม่ดึงให้รู้ว่าจิตเป็นไหลไปให้คอยรู้ว่าจิตไหลไปอย่าดึงนะดึงแล้วแน่น จิตมันเคลื่อนไปดูรู้ว่ามันไปไม่ห้ามมันนะ ม, นมันแน่นอยู่ที่อกอะค่ะไอ้ไปเพง่งมันไปจ้องที่จิตมันเคลื่อนไปดูที่อกอีกให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะแน่นเนี่ยเป็นวิบากนะเคยรู้จักคำว่าไตรวัตรไหมกิเลสกรรมวิบากมีกิเลสอยากปฏิบัติเกิดการกระทํากรรมคือการควบคุมตัวเองเพ่งจ้องเกิดวิบากคือแน่นวิบากเป็นผลแก้ไม่ได้ ต้องยอมรับแน่นก็แน่นไปเราคอยรู้ทันเวลาจิตมันไปไหลไปจ้องนะตัวนี้เป็นการรู้ทันการกระทํากรรมแต่ถ้าลึกลงไปนะเราเห็นใจที่อยากปฏิบัติเพราะอยากปฏิบัติใจก็เลยถลำไปจ้องพระถลำไปจ้องก็เลยแน่นดงนั้นเมื่อแน่นแล้วเนี่ยจะไปให้หายเนี่ยไม่ได้ตราบใดที่ยังจ้องอยู่นะแล้วก็จะจ้องอยู่จะให้หายก็หายไม่ได้ตราบใดที่ยังอยากอยู่ยังอยากปฏิบัติอยู่ ให้รู้ทันใจที่อยากปฏิบัตินะแล้วมันจะหายต้องแก้ที่เหตุเห็นไหมสอนอะไรก็สอนที่เหตุหมดเลยนะภอวนาก็ทําต้นเหตุไม่ไปทําปลายทางแน่นัเป็นปลายทางที่ไม่ดีว่างสว่างบริสุทธิ์เป็นปลายทางที่ดนะีทุกเป็นปลายทางที่ไม่ดีมันมีเหตุกับผลเหตุกับผลนะสองคู่คู่ดีกับคู่เลวคู่เลวก็คือตัณหาเป็นเหตุมีทุกเป็นผล คู่ดีก็คือมักเป็นเหตุนะมีนิโรธเป็นผลให้เราทําเหตุนะขอบคุณค่ะอนุบาลสักการหลวงพ่อครับอืมคือครั้งที่แล้วมาหลวงพ่อบอกว่ารู้สึกตัวพอได้แล้วทีนี้ไม่แน่ใจว่าเวลาที่รู้สึกตัวเนี่ยมันรู้สึกตัวเฉยๆหรือเปล่าหรือว่ามันเดินปัญญาครับสังเกตไหมว่าเวลาเราสงสัยนะใจเราก็ไม่สบายใจ มันหงุดหงิดใจขึ้นมาใหให้รู้ทันลงปัจจุบันไปเลยนะต่อไปนี้ไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นสดๆร้อนๆ ร, รู้ไปด้วยแล้วก็เห็นสภาวะนั้นมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอันนั้นแหละเรียกว่าเจริญปัญญานะอย่างตอนนี้ใจวิ่งมาที่หลวงพ่อมาตั้งใจฟังแล้วก็หนีไปคิดสลับกันไปสลับกันมานะล้วก็รู้ทันนะเห็นไหมจิตที่ตั้งใจฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่คิดเกิดแล้วก็ดับนะอย่างนี้ก็เจริญปัญญา หรืเราเห็นความรู้สึกของเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั้นก็เจริญปัญญาคือปกติก็จะเห็นว่ามันไปคิดบ่อยครับจะจะเห็นไปคิดบ่อยสังเกตไหมมันไม่เที่ยงครับดูอย่างนั้นก็ได้ถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงนะเห็นว่ามันบังคับไม่ได้มันไปคิดได้เองดูออกไหมเออถ้าเห็นอย่างนั้นได้เห็นอนัตตานมัสการหลวงพ่อครับออื ก็อ่อหลวงพ่อบอกว่าก็ภาวนาแบบเดิมครับจิตพัฒนาขึ้ น, นะระวังพวกสักความสงบความสุขอะไรพวกนี้ครับครับก็สงสัยสภาวะธรรมสองสภาวะนะครับก็จะลองถามดูครับเอว่มามาคือตอนแรกสภาวะแรกคือตอนประมาณเจ็ดเจ็ดแปดปีก่อนนะครับคือเริ่มฝึกภาวนาแล้วตอนนั้นคือมันมีความเบื่อนะครับแล้วก็ผมเดินเล่นอยู่หลังบ้านแล้วความเบื่อมันก็แยกออกมาจากจิต อย่างนั้นแหะขันมันแยกนะครับแล้วก็คือนั้นคือจิตมันมันรวมลงเนะครับอตอนนอนแล้วมันรวมรวมแบบเสียงดังมากแล้วก็มันดิ่งลึกลงไปนะครับแล้วก็หัวใจก็ไม่เต้นลมหายใจเลยก็ไม่มีนะครับแ ต, แต่ว่าก็เหมือนแทรกแซงครับส่งไปดูนะครับ<อ>แล้วก็ทํำยังไงมันก็ไม่ออกเลยนึกว่าจะตายแล้วเนี่ยเขาก็เลยไตายหรอกเนี่ยถึงเวลามันก็ถอนแหรอครับมันก็ แต่มันมันก็กลายเป็นมันแตกออกนะครับเป็นเป็นเหมือนเป็นแสงสว่างขึ้นมาครับแล้วก็มีความสุขค่อนข้างจะเยอะนะครับจิตมันมีสมาธินะครับผมก็ไปติดความสุขติดไปเกือบปีครับแล้วมันก็ดีเสื่อมดีเสื่อมไปเรื่อยๆจนตอนหลังมันก็เสื่อมเยอะกว่าเลยเลิกไปมันยังไม่เป็นมากหรอเพราะว่าตัวเรายังมีความรู้สึกว่าเป็นเราอ่ะมันยังมีอยู่ ก็สภาวะที่สองก็คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ตอนปีที่แล้วครับก็ตอนนั้นก็คือใกล้ตื่นนอนตอนเช้านะครับคือว่ามันฝันมันวิ่งหนีตัวการ์ตูนเลยอยู่นะครับแล้วแล้วมันจะระเบิดแล้วจิตมันก็รวมเหมือนกันนะครับมันมันรวมหนีไปซะก่อนเขารวมแล้วก็คือเหลือแต่จิตล้วนๆนะครับแต่รอบนี้ทําอะไรไม่ทันนะครับมัน แล้วมันก็ระเบิดออกอเป็นแสงนะครับแล้วจิตมันก็ร้องเองว่ามันทำงานได้เองเออมันฉลาดแล้วนะแต่ผมก็ดูไฟก็กลัวว่ามันจะเป็นวิปัสสนูเลยรหรือเปล่านะไม่เป็นหรอกเราอย่าไปเชื่ออะไรมันนะเป็นเรื่องของสมาธินะตัวสำคัญที่เราจะใช้วัดความก้าวหน้าจริงๆคือตัวกิเลส อ, อย่างถ้าเรายัางมีความรู้สึกว่ามีเร า, ม, เรามีเราอยู่คนหนึ่งเนะี่ยแปลว่ามันยังไม่ขาดด้วยมรคนั้นะจิต อาการทั้งหลายที่เกิดเนี่ยเป็นเรื่องของสมาธินะก็ดีนะได้รู้ได้เห็นครับจริงๆไม่มีเราหรอกแต่มันไม่ยอมตัดทําไมไม่ตัดมันก็รู้สึกเหมือนมันมีเราอยู่ก็เลยใช่ไม่มีเรานะหวางพุทธภูมิเปล่าไม่ไม่ไม่หวังเท่าไหร่ครับไม่หวังนะเอออย่าไปหวังบางคนไม่ยอมตัดหวังพุทธภูมินี่อาจจะขี้สงสัยไป ก็เกิดสภาวะแล้วก็หมดแต่สงสัยนั้เลยไม่ตั ด, ดทุกทีใช้ได้นะดีครับขอบพระคุณหลวงพ่อครับเวลาจิตรวมนะเข้าถึงฐานมันจริงถึ ง, ถงอั ป, ปนาจริงๆอ่ะก็เหลือแต่จิตอันเดียวโลกธาตุนี่หายไปหมดร่างกายหายไปหมดเหลือจิตอันเดียวแหละนะสว่างสวัยถอยออกมาก็กลับมามีใหม่ยังไม่ล้างกิเลสนะนมัสการค่ะหลวงพ่ อ, อ มาส่งกันบ้านค่ะข่าวก่อนหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูจิตที่เคลื่อนก็เห็นเห็นว่ามันเคลื่อนแล้วก็บังคับไม่ได้ขับรถอยู่แล้วมันก็กเคลื่อนไปแล้วแป๊บ น, นึงมันก็กลับมาตั้งใหม่แล้วมันก็ไหลไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นว่าบางทีตัวรู้มันเราความรู้สึกตัวมันชัดแต่สิ่งที่ไปรู้เนี่ยมันไม่ชัดก็ได้ได้คือมันไม่แต่เวลาขับรถเดีย๋ยวพยายามให้สิ่งที่ถูกรู้ไม่ชัดนะ ต้องรู้ให้ชัดนะเดี๋ยวขับรถชนใครเขาหมายความว่าสมมติเวลาเดินจงกรมอะค่ะเราเราเห็นอยู่ว่าไอตัวที่เราไปรู้เนี่ยมั น, ม, นมันมัวบ้างมันเหนื่อย อ, อ๋ อ, อ, อ, อ, อ, อถูกถูกต้องแล้วแต่ตัวที่เรารู้เราเราก็สังเกตเอ๊ะแต่ตัวรู้เรารู้ชัดอยู่ว่าเออมันกําลังเหนื่อ ย, ยแต่ว่ามันไม่ได้เหนื่อยไปกับมนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้อย่างนั้นได้แล้วก็เวลา สงสัยว่าพอเราหยุดตรงหัวจงกลมกับท้ายจงกรมมันต้อ ง, ม, องมันต้องทําให้ชัดแค่ไหนคะ<ม>หรือว่าไม่แค่รู้สึกตัวไม่ใจลอยไปเท่านั้นนะมันไม่จำเป็นต้องเอาให้มันสว่างยไม่ต้องไม่ต้องให้เป็นธรรมชาติเลยไม่ต้องเอาสว่างนะหมดแล้วนะเอาเชิญกลับบ้าน